ولا َ نكلفك نفسا ًَ إلا وسعها ولا دلنا كتابي ينطق بالحق و َ ه ُ م لَا ي ُ ل م ُ و ن َ ب َ ل ق ل ُ و ب ه ُ م ْ فِي غ م ر ة مِنْهَا ذ َ ل َ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْهَا ذ َ ل َ م ن ْ ب ُ ن ِ ذَلِكَ هُمْ لَا ع َ م ل ُ เจ <ت ص في ق> ا ามาอินมาคุณมินมาลาคุณ ت สภูนอดัตตานัตَายาทَตْสลาอัลเลกุมอَัตตาَัตชายา Kum kum a l a h k a bikin t a n g i sun. m u s t a k f i r i samiulam tak j u r u t a k f i r i n adihi s a m i u l tak j u j u Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله ل ا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا ِ่าบَกั و นโมตุ ل الل ي ي إ أ ل าอิลัยกันนุชูอ้างอุ ذ ิกคำว่าติล ا ฮิตาม ا ติ م ا ชรีมะ م ลักบิส ل ิลลาฮิลลาฮิลาใ ب ญ่ดุร์มาอัลหมิชั ا ل ุมฟิลอาُ์ดีวะลาฟิลสัมِาวอวัลซามีอัลอาลิมรดีรุบิลِาฮ ل รับบั้วบิล و َสลามดี م ัวบิมุฮัมมัดอิลรัสูละอัลลอฮุมะอินนีอ้างอุบิกะมินัลคِสัลวัสูอิลคิบารี ربّي أعوذ بك من عذابٍ في النار وعذابٍ في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمي ع وعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ا ل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนามาสุโบ ท, ที่รักทั้งหลายครับประัมดยลิลละดูอาที่ผมอ่านเป็นเซบวาซิกเก็ตตอนเช้าๆ้าเนี่ยมีดูอาบทต่างๆประมาณสิบเก้าบทด้วยกันนะครับซิกเก็ตตอนเช้ากับซิกเก็ตตอนเย็นนามาสี่ห้าบทเท่านั้นเองนะครับ ด, ดูความหมายนะ อัลลอฮฺของอินเนาะอูซูบิกะมินัลกัสสลโออัลลอฮฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺให้พ้นจากความขี้เกียจขี้เกียจมานามาที่มัสยิดขี้เกียจอ่านอัลกุรอานได้แต่นอนทั้งวันคนขี้เกียจเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺอย่าให้เราเป็นคนขี้เกียจเพราะอัลลอฮฺเนี่ยมีความสามารถจะทําให้ใครเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดวาซูอิลกีบาริ เพรความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ไม่ให้เราเป็นคนที่แก่แล้วชาราแล้วหลงหลงลืมลื ม, ล ม, ลมออกจาก บ, บ้านมามัสยิดกลับกับไม่ถูกตรงนี้ต้องระวังนะพี่น้องแก่แล้วไม่ให้แก่เลยแก่แล้วต้องแก่แบบมีคุณภาพนะครับขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เราได้อ่านคุรานทบทวนคุรานที่บ้านของอัลลอฮ์ตรงตาม hadis ที่ท่ทนานอบดีสอน ใครที่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่นั่งอยู่ที่บ้านจากบ้านหลังหนึ่งของอัลลอ์มาถึงมัสยิดของอัลลอ์เนี่ยยัลูนะกิตากิตาบัลลอฮ์นั่งอ่านอัลกุราอานอ่านกุรอานนี่คุณละบุญอย่างหนึ่งนะวยายามะด้รอาสูนะ้น่ะแล้วก็หาความรู้เอาหนึ่งอายะมาอธิบายนะครับแล้วก็หาความหมายหาความรู้จากกุรอานอายะนั้น มีผลลบุญตอบแทนจากอัลลอ์เยอะมากอัลลอ์ให้สี่ข้อครับคนที่นั่งอยู่ในมัสยิดเอามาอ่านอัลกุรอานยาตาดารอสูนะ้น่ะหาความรู้หาความเข้าใจจากกุรอานที่เราอ่านเนี่ยอัลลอ์ให้สีข้อข้อที่หนึ่งอัลลอ์จะให้สกี้นะความอะไรนะความอบอุ่นหรือว่าความหัวใจที่สงบเกิดขึ้น รอลอ์รอสุพูดเรื่องอมาเรื่องตักวเรื่องอีาซานเรื่องยตีเรื่องอิคลาเรื่องอัคลาของท่านนบีถาให้หู้ใจมันสงบเรื่องที่สองขับฟัดอะไรที่มุลมาลาอิกะมาลกาจะยืนเนี่ยให้เกียรติเรายืนอัลลอ์ยืนเนี่ยยืนล้อมเราเนี่ยนะมาลกยืนยนห้อมล้อมเราให้เกียรติเราใช้ตอนเข้าไม่ได้เพราะมาเกายืนเต็มหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นข้อที่สาม อัลลอฮ์จะเล่าเรื่องของเราเนี่ยที่นั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยให้กับมาลายิกาอีกกลมหนึ่งอยู่ที่รอบๆอัลลอฮ์บนชั้นฟ้านั่นะครับเล่าว่าเนี่ยเรากำลังนั่งอ่านคุร อ, า น, า, รอานกันอยู่นะหาความรู้กันอยู่นะอัลลอฮ์เล่าเรื่องของเราบนชันฟ้าให้ใครบ้างให้บรรดามาลายิกาเนี่ยได้ยินได้รับรู้อัลฮัมดุลิลลาฮ์นี่เป็นความโปรดปรานยิ่งใหญ่นะที่ท่านนับีเลเล่าเรื่องลับให้เราฟังนะครับ เอามาดีเรามาพบกับกุณอ่านสุรัตน์อัลมุมินูนอายาที่62นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกุณอ่านสอนเรานะอัลลอฮ์สอนเรานะครับว่าคนฝั่งคนู้นกับคนฝั่งคนี้เนี่ยคิดอะไรไม่เหมือนกันคนฝั่งคนู้นเนี่ยหมายถึงคนกาฟริรีนมุชลิกินมูนาฟิกินยาฮูดี น, นัสรีนีห้ากลุ่มนี่พื่น้อง เขาเป็นมิตรกันนะเขาเป็นเครือข่ายกันทำลายใครทำลายอิสลามทำลายกุรานทำลายสุนนาบีเขาเป็นเครือข่ายกันทีนี้คนคนฝังคานู้นเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยวัตถุวัตถุวัตถุวัตถุวัต ถ, ถุแต่คนฝังคนนี้เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของท่านนาบีฟังกุรอานนะครับฟังคำสอนของท่านนาบีเป็นอย่างงี้ครับ อายะที ok ่หกสิบเนี hmm. mm ่ยนะวะลาดีนวัลาดีนะยุตุนมาอาต้าววกุลูบุห์มวะจิลหอะนั่มอิลารับบิห์มรอดิยุนของอาทิตย์ที่แล้วนะพี่น้องคนฝังกรณีคนที่เป็นมุมินเนี่ยเวลาเขาบริจาคกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานดิสกีให้แกเขา นะครับบริจาคเงินบริจาคทองอะไรก็ตามพี่น้องครับวากูลูบูฮูมวาจิลาทุนในหัวใจของพวกเขาแล้วนั้นมีความหวั่นประวันมีความกลัวกลัวอะไรครับกลัวว่าอัลลอ์เนี่ยรับหรือไม่รับความดีที่ทำคนฟังคนีคนที่เป็นมุสลิมคนที่นั่งอ่านกูนอ่านในมัสยิดพี่น้องทำความดีอัลลอฮ์นามานไม่นมา อ่านคุรานไม่อ่านกุรานซิกรุลละไม่ซิกรุลละวันจานวันพลรหัตถือสินอดอีกทำดีกับพ่อแม่ดูแลลูกเต้าภรรยาอย่างดีแต่กลัวว่าอัลลอฮฺจะไม่รับความดีที่ทำเอาไว้นี่คนฝัง่ง น, นี้เนี่ยคนที่มีอีมาเนี่ยกลัวถังขนาดนี้ฉะนั้นทำความดีแล้วอย่าตะครับบุตรทำความดีแล้วอย่าเป็นคนที่กูแน่ ออืุ้มนมาศแล้วงานเป็นการไม่ใช่เี่น้องขนาดนมาศแล้วทําความดีแล้วเนี่ยใจยังนึกอัลลอฮฺรับหรือไม่รับจะทําฟรีหรือเปล่าโอ้เป็นองเหมือนกันเวลาอัลลอฮฺให้ให้บราริการให้เงินให้ทองเนี่ยมุหมิน่คนฝั่งนี้มองเป็นบุชรอเป็นข่าวดียังไม่ใช่รางวัลนะรางวัลต้องรอวันเกียร์มาใช่ไหม รางวัลที่ทําความดีต้องรอวันกี่มะแต่ถ้าหากได้ความดีได้ข่าวดีๆเช่นเราได้รางวัลนูน่นระงวังนี่เป็นตัวอิหมามดีได้รางวัลตอบแทนอะไรก็ตามแต่พี่น้องในใจมันนึกนะเอไอรางวัลที่ได้เนี่ยมันเป็นรางวัลจริงหรือว่าเป็น น, นั้นอะไรนะั่นก็เรียกว่าในกุณอ่านมันมีอยู่3ามสามอายาดด้วยกัน มันเป็นมุสคาใอิสติโดร์หรือเปล่าได้ของดีมาเนี่ยเป็นอิสติโด ร, ดร์ไหมหมายถึงว่าได้รับความดีแล้วนําเขาสู่ความหายันตในบ้านปลายคนมุสลิม น, นึกตลอดเวลาได้เงินได้ทองมาก็กลัวอีกเงินทองอันนี้จะทําให้เราสิบหายหรือเปล่ า, าทําให้เราถูกลงโทษหรือเปล่าตอนไหนวันตอนวันตายที่หลุมฝังศพหรือเปล่าต้องนึกครับ คนเป็นโมเมนต์ต้องนึกตลอดเวลาแต่คนฝังกันโนแฮปปี้ตลอดได้เงินมาฮึฮได้ผู้หญิงมาฮึโอ้โ ห, โหสนุกดีอกดีใจแต่คนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ตลอดเวลาได้ภรรยามา ก, ก็ากลัวอีกจะดูแลภรรยาไหวหรือเปลา่าได้บ้านมาหลังหนึ่งอัลลอฮ์นี่จะมีบ้านเรานี้จะมีเสียงอาซาหรือเปลา่าจะมีเสียงอ่านกุรานไหมจะมีเสียงนมาดไหมนึกไปหมดคนฝังคนี้คิดแบบนี้ตลอดเวลา นะครับเอามาดูอายที่หกบสองวันนี้นะครับวะลันุกะลีฟุนอัลซันอิลลาอูซ์ฮะวะลดนากิตาบุยัมติกุบิลฮักวะฮุมลาญุลลาม ولا نكلف ال نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون الله أكبر อายะนี้อ่านแล้วสบายใจครับอายะนี้สออย่างงี้ล ا นُ ك َลِّฟُ نفسا คัลลาฟะนุคัลลิฟแปลว่า เราไม่วางภาระเราไม่วางภาระนับสั้นชีวิตหนึ่งชีวิตใดคืออัลลอ์เนี่ยนะไม่ได้กำหนดไม่ได้สั่งให้ทำความดีๆอะไรหรอกนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้นะอัลลอ์ไม่ได้วางภาระแก่ชีวิตใดนะครับอิลลวุสอาฮาเว้นแต่ตามความสามารถของเขา พี่น้องการทำความดีเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้ทำทำขนาดไหนนั้นเปิดกว้างๆเอาไว้ท่านมีความสามารถทำแค่ไหนก็ทำแค่นั้นนี่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ดีไหมอัลฮัมดุลิลลอห์พี่นอ้องอายกตัวอย่างง่ายๆ น, นมาแต่มีอยู่สามท่าใช่างมาท่ายืนท่านั่งแล้วก็ท่าอะไรท่านอนท่านอนในสภาะคนป่วย ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยต้องท่ายืนตลอดใช่ไหมแต่มีรูปว่ามีสูญอยู่อะไรก็ตามแต่ก็ว่ากันไปถ้าไม่สบายใช้ท่าอะไรท่านั่งท่านั่งไม่ไหวจริงๆต้องท่าอะไรท่านอนนี่ไงะละนุกัลลิภูนัสซันอิลลัวุส อ, อัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้วางภาระแก่ชีวิตหนึ่งชีวิตใดเว้นแต่ ตามความสามารถของเขาที่ทำความดีได้เนี่พี่คน้องครับท่าน้็เห็นว่าความดีที่อัลลอสั่งให้เราทำนี่นะถูกบันทึกหมดเลยถูกเก็บรักษาไว้หมดไม่หายแล้วก็ไม่ลดไปไหนด้วยใครพยายามอะไรก็ได้ได้อ น, นันแหละเรื่องพยายามเรื่องเสียไม่มีครับพยายามแล้วต้องได้พยายามเล่นการพานันก็ติดการพานันใช่ไหม พยายามกินเหล้าก็ติดเหล้าพยายามทําเรื่องบาปบาปมันก็ได้บาปอีกคนหนึ่งพยายามทําความดีอ่านคุรานก็ได้คาําภีร์คุรานเดินมานะมาที่มัสยิดก็ได้ผลและบุญจากการเดินมามัสยิดใครทําอะไรก็ได้ไอ้นั้นนี่อ า, านี้สอนใจเราถ้าอยู่ที่บ้านนอนทั้งวันมันก็ได้นอนใช่ไหมจ๊ะ แล้วก <S 2 Y Positive> <ama> <ram> ็ประโยชน์มีไหมไม่มีใช่ไหมฉะนั้นอัลลอ์สอนเนี่ยเราชายปัญญาวะลานูกันลีฟุนับซันอิลลัวุสอาอัลลอฮ์เนี่ยนะมีได้วางภาระแก่ชีวิตใดเว้นแต่ตามความสามารถของเขาอะปามาอีกวะลาไดนาวะลาไดนากิตะบุยัมติคุบิลฮักตี วะฮุมลาญุลลามุนวละลาไดนาแปลว่าที่เราที่อัลลอฮ์นี่แหละอัลลอฮ์เก็บไว้หมดพี่น้องทําอะไรไว้อัลลอฮ์เก็บหมดเลยเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยครับพี่น้องที่ในตันสิทในอายะอื่นอธิบายอย่างนี้อัลลอฮ์เก็บไว้ความดีที่เราทําเนี่ยในสีแหล่งอัลลอฮ์เก็บความดีของมนุษย์ไว้ในสีแหล่งหนึ่งแผ่นดิน แผ่นดินเนี่ยที่เรายืนที่เรานั่งอยู่เนี่ยคุณอ่านอะไรไหนครับยาวมาอินทร tuhadisu akbaroha ในวันกิยามะอลัลลอฮ์จะให้แผ่นดินนี้เล่าแสดงวันนี้แผ่นดินยังไม่เล่าใช่ไหมแต่จะเก็บข้อมูลอย่างเดียวเก็บเก็บเก็บไปเล่าวันไหนนู่นน่ะวันตายแล้วฟืน้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอลัลลอฮ์ให้แผ่นดินเนี่ยเล่าเรื่องของมนุษย์เรื่องของเราเอ่ะเราทําอะไรบ้างมีข้อมูลที่หนึ่งข้อมูลที่สองอยู่ที่ มือแล้วอยู่ที่เท้าโอ้โหไอ้นี่หน้าแตกเลยเนี่ยใช่ความดีที่เราทำหรือความชั่วที่เราทำนั้นถูกบันทึกที่ไหนในครอัุรอานสวาซีนมีไงอัลยาุมานักติมมอาลาอัปวาฮิฮิมวาตุกัลลิมูนาไอดีฮิมวาตัชฮะดูอารุลุฮุมบิมากานุยักษิบุญอัลลอฮ์ให้มือพูดให้เท้าเป็นพยาดเหมนไหมแงที่สองอยู่ที่เท้ากับมือแ่งที่สามอยู่ที่มลายิก้า แ่งที่สี่เอกสารที่มาเลกาบันทึกทั้งหมดเลยซีแลงตรงนี้คําอธิบายวา่าไดนาณที่เรานั้นกีตาบุลมีสมุดบันทึกคําว่ากีตาบุลเดิมไม่แปลว่าหนังสือแต่ตรงนี้แปลว่าในพบอ่านภาษาอาหรับอูดูด้วยนะเขาว่ากีตาบุลอามาลหมายถึงสมุดบันทึกหรือว่าดาฟต์ ตัว อ, อย่างหนึ่งอะนามาอามาสมาฟูการงานของเขาถูกเก็บไว้อย่างครบบริบูรณ์ไม่หายไปไหนเลยพี่น้องสบายใจนะความดีที่ทำนั้นเอาลอดเก็บตั้งสาไว้หมดเลยถ้าเป็นความดีเราสบายใจใช่ไหมถ้าเป็นความชั่วทำไงชั่วที่เราทำเนี่ยทำไงพี่น้องต้องการอยากจะลบออกจากข้อมูลใช่ออกจากคอมพิวเตอร์ใช่ไหมลบยังไงอะ ถ้าเป็นความชั่วมีทางลบอยู่ข้อเดียวเตาบ้าตัวต่ออารม์เตาบ้าตัวพี่น้องถ้าเราเป็นเรื่องเรากับอาลมอ์ให้ทำสามข้อหนึ่งเตาบ้ามาจึงเสียใจกลับเนื้อกลับตัวกันใหม่นะอันที่สองถอนความผิดออกมาอย่างเด็ดขาดอันที่สามไม่หันกลับไปทำความชั่วเหมือนเดิมนี่แหละวิธีลบข้อมูลที่อยู่ในเอกสารที่เราที่อารม์บันทึก นี่ใครเล่านาบีเล่าให้เราฟังเราวางเรากับเราถ้าเรากับมันถ้าเรากับมนุษย์ล่ะมีข้อข้อที่สี่ข้อเลยนะเรากับมนุษย์เนี่ยเช่นเราไปนินทาเขานินทาเนี่ยเรื่องใหญ่นะต้องไปขอมาอาบเขาถึงบ้านนะต้องขับรถไปไปมาอาบฉันขอมาอาบนะท่านฉันเนี่ยด่าท่านไปเยอะนินทาท่านวันไหลก็บุง้งมาต้องเล่าในรายละเอียดได้ไหมไปขอมาอาบต้องไปถึงบ้านต้องนีไงพี่น้องครับ ถ้าเกี่ยวกับงานเงินงานการเงินการทองก็เหมือนกันหนักหมดเลยต้องไปไประเจราจาก็ครับนี่นะพี่น้องครับความผิดที่เราทําไว้สามารถลบได้ไหมได้แต่ต้องผ่านการเต่าบักและแล้วก็หลักการที่ท่านอาบีได้วางสูตรเอาไว้เท่านั้นเองคิดเองไม่ได้ที่เรตลอดเวลาใดนาะกีตาและที่เรานั้นและที่เรานั้นพี่น้องมีบันทึก นะครับบันทึกเรื่องอะไรครับงานของท่านที่มนุษย์ทำไว้ทั้งหมดเนี่ยยันติกูอัลลอยัติกไปว่ามันจะพูดไอสมุดเล่มนั้นเนี่ยมันจะพูดหรือมันจะถแถลงมันจะพูดและมันจะบรรยายมันจะถแถลงอะไรครับบิลฮักเต้ด้วยความจริงทั้งหมดเลยตัวล้องว่าทำเท่าไหร่ก็บันทึกเท่านั้น ไม่บันทึกเกินและไม่บันทึกน้อยดิลฮักก์อย่างตรงไปตรงมาพูดจริงทั้งหมดเลยเพื่อนผมว่ามันมีทั้งรูปด้วยนะมีรูปถ่ายด้วยมีภาษาออกมาด้วยโอ้โหในวันนั้นเพื่น้องทุกคนงงหมดเลยเนะนี่ยนี่ไอ้ของเล็กๆน้อยๆจะแอ บ, แอบทําก็มีด้วยเหรอกลายทกันสองคน น, งนี่ยังมีด้วยเหรอมีหมดเลยเพื่น้องไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ถูกรีคอร์ถูกเก็บไว้หมดเลยเนี่ยวันนี้ น้องครับนี่ไงอ่านคูนอ่านได้ได้ความรู้ทําให้เรากลัวอัลลอฮ์ทำให้อีหมานเพิ่มนะพี่น้องทําให้ตักวาเพิ่มทําให้อียสานเพิ่มทําให้อักลาคนท่านนาบีเพิ่มอิคลาสเพิ่มหมดถ้าเราอ่านคูนอ่านด้วยความเข้าใจของุูอ่านนะพี่น้องนะวาหุมละยุสลลมูและพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมแม้แต่น้อยยุสลามมาจะกยอเลมเนี่ยเขาจะไม่ถูกอาธรรมรม้ว่า ทำแค่ไหนก็ได้แค่นั้นไม่ทำก็ไม่ได้ทำผิดก็มีข้อคดีผิด เ, เต็มไปหมดเลยก็นเนะเวลาอยู่สละมูลเขาจะไม่ถูกอาธรรมแม้แต่นิดเดียวพี่น้องครับอยายะนี้ให้กำลังใจกับคนที่อ่อนแอด้วยนะคนที่ทำอามันท่ซอแลวไม่ไหวใช่ไหมนี่แหละเป็นกำลังใจอย่างคนที่ ป่วยไม่สบายนอนอยู่ที่บ้านเป็นอมพภุดอมพ่มพาเนี่ยมามัสยิดไม่ได้พี่น้องพอฟังอาย่า น, นี้สบายใจไหมเอออย่าเอาอมีความดีทําความดีแค่ไหนก็ได้แค่นั้นอย่างเนี้ยยกตัวอย่างคนที่เคยมานมาที่มัสยิดเป็นประจำพยายามรักษาอามันที่มัสยิดนั่นะหมาที่มัสยิดมัสยิดมัสยิดตั้งแต่แข็งแรงมาจนกระทั่งแกจนะทำมาตลอดตอนนี้พอใกล้จะตายเกิดเป็นอมพภุด นอนอยู่ที่บ้านมามาสัสยิดก็ไม่ได้ไม่ไหวไปน้องครับเขานมาที่บ้านของเขาผลละบุญเท่ากับนมาที่มสัสยิดเพราะว่าตอนหนุ่มๆเนี่ยตอนแข็งแรงเนี่ยไม่เคยขาดนมาที่มสัสยิดเลยในการพีร์อัอลลอฮ์อธิบายเอาไว้นะความดีที่เขาทําตอนแก่ๆตอนไม่ไหวอลัลลอฮ์บันทึกให้เต็มบริบูรณ์เพราะตอนหนุ่มๆเขามานมาที่มสัสยิดอยู่เป็นประจำอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์บัตยิ่งใหญ่ไปน้องจากนั้น ตอนหนุ่มๆเป็นน้องตอนแข็งแรงนี่นะพายา ม, มาทำอาันสซอลและมัสยิดที่บ้านของอัลลอ์ทุกวันนะครับพี่น้องนะครับอาที น, นี้ชีวิตของนบีมีอุลมามะก็ อ, อธิบายดีนะนบีเนี่ยแต่อุมามะของนบีมุฮัมมัดนี่นะอัลลอฮ์ชมมากนะในคัมภีร์เตารออธิบายไว้เรื่องลักษณะของนบีมุฮัมมัด แล้วก็อุมมาของนบีมฮัมมัดจากพวกเราเนี่ยเป็นอุมาของนบีใช่ไหมเอามาดูครับท่านก็ได้อธิบายบอกว่าอินนีอาดิดูฟิตเตอร์อชันเนี่ยพบหรือได้อ่านพบในคำพี์ตอรอบอกว่ามักตูบันถูกบันทึกเขียนเอาไว้ว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอ์นี่พูดชมนบีมฮัมมัดไปนาะลาฟัลนบีเนี่ยนิสัยเป็นไงครับ ไม่ใช่เป็นคนอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนไม่ใช่เป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ท้านใครที่มีอารมณ์ร้อนรอนเนี่ยเปลี่ยนใหม่ได้ไหมให้ใชาเป็นอารมณ์เย็นเย็นเหมือนใครเหมือนนบีรรมุฮัมมัดสุลตัมนี่ไงเป็นเพะเราอ่านประวัติของนบีนิสัยของนบียากจะเปลี่ยนนิสัยเราแต่ท้านใครที่นิสัยร้อนร้อนมีไหมมีครับเพราะอัลลอฮ์ให้มาไม่เหมือนกันบางคนอัลลอฮ์ให้มาเย็นอยู่แล้ว เอา ล, ล่อมาอ่านทาริสพบบวกกันง่ายหมดเลยไปน้องทําตามสูงหน้านาบีง่ายมากไปน้องเอา้าอัคลาของท่านนาบีนบีเป็นคนไม่ไรนะไม่มีไม่ใช่เป็นคนอารมณ์ร้อนเรื่องที่สองลาวอลีสนบีไม่เป็นคนพูดจาหยาบคายทําได้ไหมทําได้พยายามฝึกตัวเรานะครับไปน้องนี่ไงความดีให้ทําเท่าจะมีความสามารถเรื่อการพูดจากอ่อนไปน้อง นบีเป็นคนที่ไม่พูดจาหยาบคายเราก็พยายามเดินตามนาบีเรื่องที่สามละสคอฟิลอัสวรนบีเนี่ยไม่เคยใช้เสียงดังตะโกนตามตลาดนาบีไม่เคยเอา้าวเราก็เหมือนกันพยายามดูอัคลากสวนนี้อะไรนะไม่ส่งเสียงดังตามตลาดอีกข้อหนึ่งเวลายาติจิตซสียบิซสีย ใครมาด่านบีการแกล้งนบีไม่เคยแก้แค้นด้วยสิ่งเดียวกันที่เขาทํากับท่านนบีไม่เคยนบีถูกผู้หญิงคนหนึ่งโยนขยะใส่ศรีรษะท่านนบีผมนึกภาพออกผมเคยเล่าให้ฟังนะนบีเอามือตะปัดออกถูกขยะเอามือตะปัดออกวันหนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่สามสี่วันพี่น้องพอวันที่ห้าเนี่ย ผู้หญิงคนนี้ไม่โยนขยะใส่ศีรษะนบีนบีงงไปไหนแล้ววันนี้ถามไปถามมารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ป่วยนบีก็เลยขออนุญาตขึ้นไปเยี่ยมเห็นไหมพี่น้องนี่ไงนบีไม่เคยแก้แค้นใครพี่น้องโอ้โหถ้าตำแหน่งใหญ่ๆอย่างกันนบีเราจะยอมเนี่ยโอ้โหเราไม่ยอมอยู่แล้ว แต่นาบีเนี่ยทําเป็นแบบเอาไว้เพราะว่าในคัมภีร์เตารอ้อนให้เป็นน้องบันทึกเรื่องนี้เอาไว้นะฉะนั้นนาบีมาส่งศาสนมเนี่ยนะทุกคนยกย่องว่าเป็นคนดีที่สุดนะเพราะอะไรไม่เคยแก้แค้นเรื่องไม่ดีกับคนที่ทำไม่ดีกับท่านต่อมาครับว่าละกินยากฟูแต่นาบีจะเป็นคนที่ให้อภัยให้ไหมเป็นน้องข้อที่สองวายัสฟ้าแล้วก็มองข้าม เห็นไหมนี่เป็นอักลาของท่านนบีพี่น้องนําเอาไปใช้ได้เลยลนะครับพี่น้องเอาในคัมภีร์ต่ออธิบายอีกอุมมาตูอุมมาตูหูอุมมาของนบีมุฮัมมัดอย่างพวกเราวันนี้เป็นไงครับอัลฮัมมาดูนเป็นคนที่ชอบสรรเสริญอัลลอฮ์ชอบกล่าวว่างี้อัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาก็ไหม กล่าวที่ไหนครับยามาดูนฟ ah ิลและฟีกุลีมันซิลาตินอุมมะของนบีประมาทพี่น้องครับเขาจะสรรเสริญอัลลอฮ์ชมอัลลอฮ์ว่อัลฮัมมุญุลที่ไหนที่บ้านของเขาดังนั้นที่บ้านมุสลิมที่บ้านพวกเราพี่น้องอย่าเปิดอย่าเปิดละครเยอะเลยลดลดน้อยให้บ้านของเรามีเสียงไดนะอัลฮัมมุญุลมีเสียงอ่านคุรานมีเสียงสรรเสริญอัลลอฮ์พี่น้อง นี่ไงในคัมภีร์ตรอ่อรับพูดชมพวกเราไว้ว่ายูกับเบรุนาอาลากุลีน่าจดินและจะกาวว่าอัลลอฮุอัคบะตตอนไหนตอนขึ้นที่สูงๆเขานําเอาไปสอนนักเรียนกันโรงเรียนศาสนาเยอะๆเป็นบองอุลามาหรือว่าครูที่สอนในชั้นเนี่ยจะแนะนําว่านักเรียนนะเวลาขึ้นรถพอขึ้นสะพานทงสูงอย่างเงี้ยให้กล่าวว่าไงนะอัลลอฮุอัคบัต์ขึ้นสะพานแขวนเนี่ยพอขึ้นปป๊บอัลลอฮุอัคบัต นี่งานไปน้องอคัคราสมารยาทแบบนี้ท่านนาบีสอนก็เป็นน้องตองลาแต่นั้นอยู่ที่บ้านให้ชุ่มเช Allah, Al illah, ยอัลลอฮฺอัลฮฺทดยดีแล้วเยอะๆอ่านกู่อานเยอะๆแล้วก็ถ้าอยู่ที่สูงนั่งไงให้อยู่กับบียให้ตักบียว่าอัลลอฮฺอัลกบะดนึกถึงนบีนบีอะไรนะที่อยู่ที่อยู่ใ น, ใ น, ใ, นในบอนะ่อนบียุซ่กอะไรอิสลามต้องถูกโยนลงไปในบอนะ่อน่ะรู้ไหม ไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงกี่วันไม่รู้ แ, แต่มีคนไปไปเอาออกมาเนี่ยระหว่างที่อยู่ในบอ่อเนี่ยท่านกล่าวอะไรผมอ่านจากตัลกีรอาท่านอ่านอยู่สองสองประโยคอัลลอฮฺอัลลอฮฺกับแลอีลาอิลลอฮฺแค่นี้ถึงได้ปลอดภัยถ้าไปนั่งร้องเพลงอ่ะจะเรียบร้อยมาพี่เบิร์ดพีเบิร์ตฟีเบิร์ด อ, อยู่ในยุตันในบอ่อ ออไม่ช่วยอ่ะแต่ว่าขนาดที่เขาอยู่ในความลำบากนั้นว่าไงนะไหมอัลลอฮอักบะต์ละอิลาฮฺอินลอลเหมือนกันนบียูนุสที่อยู่ในท้องปลาเนี่ยเอาท่านว่าอะไรถึงเราได้ช่วยนะละอิลาฮฺอินลออัลลอฮุบฮานะกออินนีกุนตูมีนัลอลิมีได้ไหมแคนั้นเราอยู่ที่บ้านอัลลอ์ดูละคนอัลลอฮฺก็ดูดีวีดูหนังเอ็กซ์จะมีบรรยากาศได้ยังไงชีวิต ฉนนชีวิตของเราต้องผูกพันกับนี่บนดานบีกับสหาบ้านนบีกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลตาลาอวัญนาอตมะอายะที่หกสบาบันคุลูบูฮุมฟิอัมรอติมินฮาดาและหุมอมาลุมมินดูนิลิก هم لها عاملون بل قلوبهم في غمراة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون อ a ลลอฮฺอ <S ess> ักบ <ess> ัดอายะนี <S ess> ้สอนนี่แรก a ี่น้ a งเอย คุณอ่านทุกอายาเป็นพูดเรื่องของเราหมดเลยเป็นเรื่องของคนมาจะพูดเรื่องแมวเรื่องคนหมดเลยไปน้องเอามาดูอาย่านี้ครับอัลลอฮุเราะฮนะคือเป็นงี้ผู้เรื่หัวใจกูรูผู้เรื่องหัวใจไงหัวใจของคนมุมินคนฝังคณีกับหัวใจของผู้ไม่ศรัทธาต่อรอคนฝังคานูเนี่ยคิดไม่เหมือนกันนี่อลัลลอฮฺสอนนะ เอามา ด, าดูคนฝันน่งคันนู้นเนี่ยอลอลาคุณคนคนคฝั่งคันนู้นนะคนฝั่งคันนู้นคิดอะไรครับบัลกูลูบูุมฟีกอมโรแต่ว่าหัวใจของพวกเขาหัวใจของผู้ปฏิเสธเนี่ยนะครับเป็นไงครับอยู่ในความงมงายยะละกอมโรเนี่ยแปล ว, ว่ายะละความงมงาย อยู่ในความงมงายอร่อยไปน้อง่าลาแปลว่าก็ฟะแปลว่าเฉยเมยี่น้องหัวใจที่ตายด้านคนฟังเขานูนนะหัวใจตายด้านี่น้องทำไมเรียกหัวใจตายด้านหัวใจที่ไม่มีอิมานหัวใจที่ไม่มีตักวาหัวใจที่ไม่มีอิคลาสหัวใจที่ไม่มีอิฮซานหัวใจที่ไม่มีอัคลาของท่านนาบี หัวใจที่ไม่มีอาตีนพี่น้องหรืออี้ยซาเนี่นะห้าหกรายการนี้ถ้าไม่มีเรื่องมีห้าหกรายการนี้เรียกว่าหัวใจตายด้านเรียกว่าหัวใจกฟละหัวใจเฉยเมยย่ยาละงมงายเห็นไหมพี่น้องนี่ใครใครบอกเราอัลลอฮฺบอกเราพี่น้องนี่ต้องการจะอธิบายให้เราฟังว่าคนฝังคนุน่นคนที่ไม่เอ า, าศาสนาพี่น้องครับหัวใจของพวกขาวไปไงครับตายด้าน หัวใจของพวกเขางมงายหัวใจของพวกเขาเซ่อเซ่ออโปน้อนี่อโลอดานะ่ะแต่อ่านเพาะไหมสีกูฟีบังกูลูบุมฟีรอมรรติ ม, มินฮาจาอ่านเพ้พะมันชื่นใจจะมา ด, ดูคำแปลโอ้โหออลออลาเล่าหัวใจของคนฝังกนู้นพวกเขาเป็นมีหัวใจใช่ไไรที่งม ง, งาย มิหน้าจะตออัลก an, ุรอานเล่มนี้มิหน้าจะมิหน้าอัลกุรอานท่านก็ตาด่างอธิบายจากกุรอานเล่มนี้ฉะนั้นใครก็ตามหัวใจของใครก็ตามถ้าไม่มีกุรอานอยู่ในหัวใจของเขาเป็นหัวใจที่งงง่ายเป็นหัวใจที่เฉยเมยเป็นหัวใจที่ตายด้านทีนี้เขาคิดอะไรเนี่ย ก็ได้จากพี่น้องฟาโรห์เราไหนะพี่น้องเฟรอรนเราเนี่ยวันๆั น, นคิดอะไรคิดถึงผู้หญิงสองคิดถึงเงินสามว่าตำแหน่งชั้นจะหมดเมื่อไรโอ้โหคิดคิดเงินผู้หญิงตำแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงคิดอยู่ห้าเรื่องนี่เป็นตัวแทนของโลกดุนยาเป็นตัวแทนของโลกดุนยาถามว่ามุกมินคนฝั่งคนนี้นะ่ะ หาเงินได้ไหมได้หาชื่อเสียงได้ไหมได้หาเกียรติได้ไหมได้หาตําแหน่งได้ไหมได้แล้วก็หาภรรยาได้ไมได้หาได้แต่ไม่ใช่หลงอ่ะเอามาหาม า, ามาแต่คนฝังขานูน่นหลงเลยพี่น้องหลงเรื่องนะคือเงินเกียรติยศชื่อเสียงตําแหน่งผู้หญิงโอ้โหสังเกตนะคนฝังขานูน่นพี่น้อง ไม่ต้องนิก้ายนะใช่หรือไม่ใช่เวลาพอใจก่อดนั่งรถไปเลยเข้าโรงแรมไหนก็ได้ไม่ต้องนิก้านะคนฝังกรณี ก, ก็ลอกลอกเรียนแบบนะเพรามีพี่น้องบางคนเป็นมุสลิมโทรศัพทมหาผมอาจารย์มันบาปหรือเปล่าเนี่ยเราตกลงกันผู้หญิงก็พอใจฉันก็พอใจพาไปโรงแรมบาปดูอาจารย์ต้อกตกลงกันนะเห็นไหมพยายามอ้อนวอนว่าอาจารย์ราบสีว่ามันไม่ฮาม เขาจะทำเรื่อยๆอัลลอฮป็นองนี่พวกเราเป็นอย่างนี้ป็นองครับอาจจะนั้นหัวใจของคนที่ไม่มีอีมานต่ออัลลอฮคิดห้าหกรายการนี่แหละกลัวตำแหน่งจะหมดกลัวชื่อเสียงจะหมดกลัวอะไรนะอะไรนะเกียรติยศจะหมดกลัวเงินจะยุบแล้วก็หาของบาบาทำสมานเสวยนี่หัวใจของคนฝังกระู บัลกูลบุห์มในความรักนี้แต่ว่าหัวใจของพวกเขาหัวใจของผู้ปฏิเสธนั้นอยู่ในความงม ง, งายซะเซเซนะครับหัวใจป่วยงั้นไปนอนหัวใจเป็นโรคเป็นโรคมะเร็งพูดง่ายๆ่ยกนะหัวใจเป็นโรคมะเร็งคิ่เรื่องวัตถุวัตถุวัตถุวัตถุ วาลาหุ่มอามาลุมมินดูนิาลิกและการงานของพวกเขามีการงานอื่นๆอีกจากนั้นอธิบายไงพี่น้องงานอื่นๆที่เขายังไม่ได้ทำนั้นเป็นงานชั่วหมดเลยเพราะหัวใจไม่ดีอย่างเดียวพี่น้องครับทำงานแต่ละอย่างนั้นเรื่องบาปหมดเลยเรื่องชั่วหมดเลยสังเกตถ้าไม่มี إ ي มานต่ออัลลอฮฺ งานที่เขาทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างบาปหมดเลยสําเิดยกตัวอย่างเนี่ย <c oughs> อย่างก็มีพระยาก็มีพ่อนะพ่ อ, นะ พ, อนะพ่อแม่ตายยกตัวอย่างนะ <c oughs> พ่อแม่ตายลูกๆก็ ข, ขวางพ่อนะพ่ออยู่คนเดียวมันเอาแต่งงานใหม่อายุพ่ออยู่ยังหกสิบเจ็ดสิบห้า ยังแข็งแรงอยู่นะต้องการที่จะหาคนมาดูแลนะนะลูกวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันเลี้ยงเองความคิดที่เป็นความคิดของคนฝั่งนู้นน่ะแต่ความคิดคนคนคนคฝั่งนี้คนมุก ม, มินก็คือต้องมีคนมาดูแลพ่อเราใช่ไหมลนะ่ะพออายุเยอะแล้วแล้วก็เราเนี่ยเป็นลูกๆเนี่ยไปอยู่กับพ่อแม่ไปล้างก้นพ่อแม่เนี่ยเท่าพ่อพ่อเนี่ยเสียใจม ไม่สนิทใจเลยแะนั้นไปหาภรรยาให้เขาดูแลแล้วก็หาเงินให้เขาใช้นพี่น้องนี่เป็นความคิดของคนฟังคันนีแต่คนฟังคันนู้นอย่าเลยมึงอย่าเข้ามานะมึงจะมาเอามาดกดชันเอาบ้านชันเอาเงินชันนี่คนฟังนู้นคิดพี่น้องครับจะเป็นครับปัญหาตามมาเต็มเลยก็ต้งหลายแก้ไม่ได้ด้วยพี่น้องหลายเพราะว่าเราเอาความคิดของคนกาเฟ่เนี่ยมามาอยู่ในความคิดของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุภาพนาลา มีครอบครัวหนึ่งในคอเทสตเนี่ยพอแม่เสียชีวิตไปหาผู้หญิงมาให้อยู่ให้อยู่กับพ่อเลยให้เงินอย่างเดียวยบัญญญาติผมชื่อจิแวร์เนี่ยเออดีมากดูลูกตั้งสิบกว่าคนเป็น้องให้คนละพันละพันเท่าไรแล้วเดือดร่มือ น, นึงแล้วเดีวไม่ชาว ก, กับพ่อก็ตายเดี๋ยวไม่ชาวกับผู้หญิงที่มาอยู่กับ พ, อพ่อมันก็ตายไปไหนอ่ะต่างคนต่างแก่อยู่แล้วแต่ให้พ่ออยู่สบายๆเนี่ยคิดไม่ออกพี่น้องเพราะได้วัตถุ เงินคือเสียงตำแหน่งเกียรติยศพอเข้ามาอยู่ในหัวใจพระพี่น้องคิดเรื่องดีคิดไม่ออกเลยนะครับเอาต่อมาครับฮุมลามีลูโดยที่พวกเขาต้องปฏิบัติตามมันเพราะถ้าไม่มี إ ي م านไม่มีตะวันไม่มีอิยานไม่มียักตินไม่มีเอคลาสไม่มีอัคร า, าขคนทานนบีคิดอะไรเรื่องดีๆคิดไม่ออกเลยครับพี่น้องถึงจะเป็นมุสลิมก็ตาม นมาถ้าเวลาก็ตามพี่น้องครับท่านนาบีสอนอย่างนี้นะครับอายานี้อธิบายอย่างนี้อินน al ัลรออูละระยะมาอู่ดอามาดีอิันนะมีชายอยู่คนหนึ่งทำความดีมาตลอดเป็นชาวสวรรค์งานที่ทำนั่นเป็นงานของชาวสวรรค์นมาอ่านคุณอ่านซิรุลรอทำพยีทำอุมร็ ติดต อ, อยาตุน้องชอบบริจาคไปน้องทำดีทั้งหมดฮัจจามายากูน่ะใบนะฮู้ว่าใบนะฮาดีรออ้นมีอีกสอบเดียวจะเข้าสวรรค์แล้วฝ่ายยัสมีกรุงอาลัยฮิลกิตาแต่ด้วยพระ ก, กำหนดของอัลลอฮ์ใกล้จะตายแล้วทำความชั่วเขาก็ตกเป็นชาวนรก อาญาเดียวต้องกาเตือนประการจะเตือนครับคนที่ทําความดีอยู่แล้วนี่คนที่เป็นคนดีอยู่แล้วพี่น้องครับแล้วก็พลาดท่าตกนรกทําไมเขาอธิบายอย่างนี้นะทําความดีแล้วเหลิงองอความทําความดีแล้วตะกำบุดทําความดีแล้วเยอยิงจองหองว่าฉันแน่ใช่ไหมพอมีผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอยู่ในเซาอาฟริการีดอสึกกับผมนี่แหละเสร็จแล้วเนี่ย ทราบข่าวว่าไปเป็นอะไรต่ออะไรตกศาสนาไปเลยใช่ไหมพี่น้องอย่าลืมนะคนที่เป็นคนดีอยู่แล้วที่มีอัมมั่นสอนแล้วอยู่แล้วพี่น้องครับสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนชาวนรกได้ไหมได้ชีวิตก่อนตายไม่กี่ปีทําให้เราเป็นชาวนรกก็ได้ฉะนั้นต้องต้องนึกอย่างนี้ครับนึกถึงอายาที่ผ่านมายัยที่หกสิบทำความดีแล้วต้องนึกว่าอัลลอฮ ไม่รับความดีต้องมันขอด้อัลลอฮุมะตักกาลบินนะดูอาอานาวาซาลาตนาวาเซียมานายาอัลลอฮฺยาอัลกามารอใีนี่ขอเป็นภาษาอัสามนั้นทำความดีแล้วอย่าเหลิงทำความดีแล้วต้องนอ บ, น, อบอน้อมผอมตนต้องมันขอดูอาต่ออัลลอ์แล้วกลัวว่าอ Allah. ลัลลอ์จะไม่รับความดีที่เราทด้วยนะครับเอาต่อมาครับพี่น้องอายะที่64ี่ حتى إذا أخذنا مترفهم بالمعذاب إذاهم يجأرو เฉยไหมยากาโร่เฉย حتى إذا أخذنا مترفهم ب ا, أ ل إ أ ذ ع ذ ا ب إذاهم يجأرو อัลลอฮฺพี่น้องครับอายานนี้ก็ดีจริงๆเป็นต้องสอนเรานะสอนชีวิตในดุนยาด้วยเราสอนชีวิตในโลกอาคีรอด้วยอายานนี้คร <t> ับยะจราอุลยะจอาลูนนี่แปลว่าร้องเสียงลั่นตะโกนเสียงลั่นเรียกว่ายะจอาลูนยะจอาลูนอะ่รนะตะโกนเสียงดังๆเสียงลั่นๆอย่างกับวัวร้อง เธอจะยินวัวร้องไหมล่ะนั่นแหละคนที่ไม่เอาศาสนานะเมื่อถูกอัลลอฮ์ลงโทษนะจะร้องเหมือนวัวร้องจะวาลากรแรงไปเอาวัวกันแล้วกันเพรเห็นง่ายหน่อยพี่น้องคนไม่เอาศาสนาวันนี้เมื่อวันหนึ่งอัลลอฮ์เล่นงานเขาเขาจะร้องเหมือนวัวรอ้องตะโกนเสียงลั่นเลยไปน้องอามาดูกุรอาน h ัต t a อีดาอาขอสนาฮัตตาแปลว่าจนกระทั่งอี a าแปลว่าเมื่ออาขอสนาเราได้ลงโทษอัลลอฮ์เมื่อเรามาึงอัลลอฮ์ได้ลงโทษได้ฆ่าชีวิตเขาได้ทำลายเขาได้จัดการเขาลงโทษเขาใครครับอัลลอ์นี่อัลลอ์เล่าให้ฟังนะคนที่อยู่บนดุนยานี้หันหลังให้กับอัลลอ์ หันหลังให้กับรอซูลหันหลังให้กับซุนนะน บ, บีใช้ชีวิตอิสระพี่น้องเวลาอัลลอฮ์เล่นงานฮัตตะอิดาอัคฮสนาจนกระทั่งเมื่อเราอัลลอ์ได้ลงโทษเอาชีวิตเขามุทรฟีหิมพวกเจ้าสำราญทั้งหลายไห็นไหมอัลลอ์อัลลอ์ชมนะคนที่ไม่เอาอัลลอ์ไม่เอาอิสลามเรียกว่ามุทรฟีหิมพวกเจ้าสาราญ เอารอไปน้อมว่าทําไมอ่ะเวลาจะกินอาหารนะมันจ่ายเป็นเป็นหมื่นนะเวลากินอาหารนะ่ะคนฝั่งนูนนะ้นจ่ายเป็นหมื่นนะเพราะมันกินสีทางคนฝั่งนี้เนะี่ยกินทางเดียวกินทางปากจ่ายเล็กน้อย100 200ร้อยสองร้อยไปอิ่มแล้วแต่คนฝั่งนู้นต้องจ่ายเป็นหมื่นสองสามหมื่นเวลาเข้าไปในบานนร์ในคับไม่กินกี่ทางแหละอาหารทำปากตากินผู้หญิงบน บนอะไรบนเวทีหูกินเสียงเพลงมือคลํากี่ทางสี่ทางห้าทางนี่อธิบายเห็นง่ายๆอยเ่เ น, นาะอัลลอฮฺอักบารฉะนั้นคนเหล่านีลล้ไม่รู้จักเวลาซูฮุสไม่รู้จักเวลามะริบไม่รู้จักเวลาอลลาซาไม่รู้จักเวลาสุบุบไม่จุบไม่รู้ท่าว่าตะฮัดยุบคืออะไรไม่รู้จักเรื่องอัลลอฮฺเลยไปเ น, นาะผมนึกถึงกษัตริย์คนหนึ่งไปจับมุสลิมมา พอจับมาแล้วก็ถามบอกว่าตัวคุณกับหมาฉันนะใครดีกว่ากันตอบดีไหมถามดีมากไปน้องเราเห็นเนี่ยตัวจะตอบยังไงเนี่ยกาษัตริย์ถามนะคุณเนี่ยเป็นอุลมามะใหญ่ของฝ่ายมุสลิมเนี่ยกับหมาฉันเนี่ยใครดีกว่ากันอุลมามะตอบไรรู้ไหมฉันยังตอบไม่ได้วันนี้เขาบอาทำไมาตอบมาเลยนะครับตอบมาต่อมา อุลากล่าวงันว่าถ้าฉันตายในสภาพที่ฉันไม่มีอิมานหมาท่านนะดีกว่าฉันตอบดีัหยถ้าฉันตายในสภาพที่ฉันไม่มีอิมานนะหมาท่านดีกว่าฉันแต่ถ้าหากว่าฉันตายในสภาพที่ฉันมีอิมานฉันดีกว่าสุนัขท่านแน่นอนขสัตย์องค์นี้ไม่เคยได้ยินคำว่าอิมานไม่เคยได้ยินได้ยินแต่ drinking เดิมดั้นซิง เต้นรำหรือจีนาโนี่พวกนี้ฟักกินไอ้พวกเนี้ยไปกินของคาราโมดเลยไปน้องแต่คํางว่าอีมานตักว่าอิยาซานยากินไม่เคยได้ยินเลยไปน้องให้ไม่ไปน้องแล้วก็ต่อมาก็กษัตริย์องค์นี้ไปน้องครับเชิญอุลามาคนเนี้ยไปสอนเรื่องอิมานรับอิสลามไปน้องครับไปน้องครับฉะนั้นมาดูกุรานนะครับ حتى إ ค ا أخذنا مطر فيهم จนกระทั่งเมื่อเราเอาล้อได้ลงโทษหรือเอาชีวิตเขาหรือฆ่าชีวิตเขาด้วยการลงโทษบิลอาญาด้วยการลงโทษมุทธรฟีหิมพวกเจ้าสำราเห็นไหมคนที่อยู่สบายสบายทั้งหลายพวกปฏิบัติตามอารมณ์ทั้งหลายพี่น้องนบีสอนเราใช่ไหมดุนยานี้เป็นสวรรค์ของคนกาเฟสและเป็นคุกสาหรับพ้นมุมินเห็นอย่าง ดุนยาใบนี้เป็นคุกสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์แต่เป็นสวรรค์ของคนกาเฟฉะนั้นอัลลอล์เรียกใช้ใหม่มุตโรรฟีหิมพวกเจ้าสำราญเอ่ยอออัลล์พี่น้องครับ <S <S เห็นยังครับอัลลอ์ไม่พอใจนะคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้โดยไม่เอาอัคราของนบีไปใช้ไม่มีอีหมานไม่มีตักวามไม่มีเอซานเอาไปใช้ในหะัวใจ เขาไม่ต่างอะไรกับแอนิเมลเป็นสัตว์ตัวหนึ่งนะครับพี่น้องอีเาหุมยาจอรูนเมื่อ น, นั้นพวกเขาจะร้องเสียงดังลั่นเลยตอนไหนครับถอดถูกอลัลลอเล่นงานนี่อลัลลอเล่าเรื่องจริงหมดเลยไปนะ้องเอาถามว่าร้องลั่นอะ่ะขอความช่วยเหลือใช่ไหมใครจะช่วยได้เรื่องนี้ ในเตฟซ์อธิบายดีนะตตฟซ์อธิบายว่านาบีเนี่ยไม่เคยไม่เคยขอดูอาสาบแช่งใครนะนั น, านาจะมีสักครั้งหนึ่งถูกเล่นงานหนักหนักหนักหนักทนไม่ไหวอลัลลอฮฺจะละนัดเล่นงานคนฝังขนุนหน่อยเพราะทรมานพวกเราเหลือเกินนั่ น, านาจะมีสักครั้งเนีนะมันจะมีบ่อยนะสามีอยู่ครั้งสองครั้งนั่นเอง น บ, บีขอดูว่าคนกุเรชมุชิริกีนนครมักการเน่ยเล่นงานฟานนบาหนบีเล่นงานน บ, บีโอสารพัดไปน้องน บ, บีก็ขอดูอา่าขอว่างี้วาจะอันนาอาไลฮิมซีนีนกาเซนีนยูซุฟอัลลอฮฺจะโอดลงโทษคนเหล่านี้ให้เกิดความแห้งแรงเหมือนกับแห้งแรงในสบายน บ, บียูซุฟเห็นไหมมุฮัมมัดเปิดหนบียูซุฟหน่อยไปน้องเห็นยังครับผูกพัน ให้แห้งแรงเหมือนกับสมัยนบียูซุฟเจ็ดปีไปน้องครับในโลกอาดับวันนั้นพวกมุชีรีกีนกาฟริรีพวกกเรตเนี่ยแห้งแรงหมดเลยนะกินหมากินหนังหมากินกระดูกหมาสารพัดไปน้องกินเลือดหมาไปน้องกินกิ น, ก, นกินหมดเลยไปน้องแต่ต่อมานาบีก็ขอถวาอัลลอฮฺจ่ า, า, าจผ่อนปนลนหน่อยอลัลลอฮ์ก็ ให้ความชุ่มชื่นมามาอีทีนีพี่น้องครับนี่ต้องการจะเล่าให้ฟังว่าคนที่เจ้าสำราญทั้งหลายอยู่บนดุญยานี้เป็นองครับถ้าเล่นงานพี่น้องมุสลิมเยอะๆเลยนะถ้ามุสลิมรวมตัวกันขออุอานะระวังนะระวังเพราะนาบีเคยทำมาแล้วคุอณอ่ญญานอายานี้อธิบายพี่น้องหรือต้องการี่อธิบายบอกว่าไงนะ คุณจําได้ไหมอ่าคุณจําได้ไหมตอนคุณร้องลั่นเสียงดังเหมือนอัวร้องหรือเหมือนลาร้องหรือเหมือนอูดร้องตอนถูกเชือดนะ่ะร้องอูโอยไปนเอยนะคุณจําได้ไหมโมตอนอยู่บนดุงจานทะรคุณทําอะไรว่างอาจายอะไรบ้างกับ น, นบีมุฮัมมัดคุณทําอะไรบ้างกับพิรันองมุสลิมคุณทําอะไรบ้างกับอัลลอฮ์คุณทํำลายคนใช่นี้ไม่ใช่ใ ช, ใช่ครับนึกนึกได้ไไดเอาต่อมาครับ อายาต่อมาครับยาที่46 65ลทจอารุลละทจอารุลยอมุมอินนักุมินนาละตุนซารุนละท่จอารุลยามุมอินนักุมินนาละตุมซรุนอัลลอฮ์เล่าต่อนะ ลาจัจจารูจงอย่าร้องลั่นตะโกนเสียงดังเอ้ยอย่าตะโกนเสียงดังลั่นแบบวัวร้องเอ้ยอย่าตะโกนลาจัจารุยา ว, วันนี้อย่ามาตะโกนเสียงดังนะอารอกเหมือนกับอะไรตำหนินะแหกเสียงทำไมอย่าอย่าแหกเสียงลาจัจารุยาอุมจงอย่าร้องลั่นตะโกนขอความช่วยเหลือนะ อินนกุมมินนาแท้จริงสูเจ้านะครับลาตุนสรูนจะไม่ได้รับการช่วยเหลือมินนาจากอัลลอเด็ดขาดพี่น้องครับบนโลกดุนยาไปนี้นะอัลลอเป็นเจ้าของจะเพียงผู้เดียวจะมีความเดือดร้อนลาบากขอร้องจากใครเละพี่น้อง คนฝังตนู้นขอร้องจากใครนะลาอูซามานาตเห็มีอยู่หเจ็ดรูปปั้นด้วยกันนะครับขอคนฝังกนูน้นขอใครวลามีปัญหาปั๊บขอลาอูซามานาตอย่างพวกเราฟังฝังังนูนบบสมัยนี้นะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะช่วยได้หน่อยขอจากเจ้าพ่อเจ้าแม่อรลอเล่าในพงงานไม่มีใครช่วยได้ คนที่จะช่วยได้มีฉันองเดียวอัลลอฮ์องเดียวช่วยพวกคุณได้ให้ปลอดภัยจากการลงโทษได้ไหมได้ชะตันอย่าไปนึกอย่างอื่นนี่สอนมุสลิมคนที่อ่านคุรานอย่ามีอคติด้กว่าโตตะเกียรช่วยได้เธออยู่บ้านใกล้โตตะเกียร์รึไงไหมใกล้กันนะไปเยี่ยมโุตะเกียร์ป่ะมันด้ไปเลยนะน่าจะไปเยี่ยมบ้างไปดูอย่างเดียวมัใจะไปขอเนะี่ยลาตาชะอาลุยอาอูมจงอย่าร้องลั่น ตะโกนขอความช่วยเหลือเลยวันนี้อินนกุมมินนาลาตุนสอรูนแท้จริงสูเจ้าจะมิได้รับการช่วยเหลือจากเราอย่างเด็ดขาดอรรอดไม่ช่วยิันคือน้องสังเกตนะอีมานนี่เป็นตัวประกันนะใช่หรือไม่ใช่ใชใชอา้าวพยาฟาโรอยู่ในไหนครับอยู่ในสวนสวรรค์อะไรประกันครับอีมานเห็นไหม เอาลูกชายนาบีนัวอยู่ที่ไหนครับอยู่ในนรกเพราะอะไรเพราะไม่อีมานต่ออัลลอฮ์แล้วก็ภรรยาของนบีลูใช่หรือไม่ใช่อยู่ในนรกเพราะไม่อีมานต่ออัลลอฮ์เอาลุงนบีมุฮัมมัดชื่ออบูตอเิบมาไม่อีมานต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมนบีบอกอยู่ในนรกแต่เบาหน่อยเห็นไหมนั้นเรื่องอีมานสําคัญที่สุดพี่น้องท่านอีมานตักวัวยาซานยาตีน อิคลาสอัคลาของท่านนาบีทั้งหมดเหล่านี้เป็นงานที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็บรรดาล น, นาบีทั้งโลกเนี่ยเอาเรื่องหลังนี้มาสอนหมดเลยนะครับเอาต่อมาครับนบีอลัลลอฮ์ต้องการจะสอนคุณจําได้ไหมมาร้องตะโกนเสียงดังทําไมครั้งหนึ่งเมื่อคุณอยู่บนโลกดุนยาเนี่ย เมื่อนบีมุฮัมมัดอ่านอัลกุรอานพวกคุณก็ด่าเขาจําได้ไหมเพื่อจะอธิบารยะต่อไปคุณมาร้องตะโกนยังกระหัวร้องทําไมเมื่อตอนอยู่บนโลกดุญญนยะาจําได้ไหมฉันส่งนบีมุฮัมมัดมามาสอนอิสลามให้ให้คัมภีร์คุณอานมาแต่พวกคุณนี่แหละปฏิเสธอัลกุรอาน ได้ยินคุณอ่านก็ดาว่าเป็นสารพัดดานบีุลเมดวันนี้คุณตตอบถูกลงโทษเพราะคุณหันหลังให้กุอ่านอ่ะดูกุอานจ่ออายะที่หสบหกครับกอดะกนัอาตีตุลอลกุมฟะคุนตุมอลาอกอบิุมตังกีซุนใช่ป่ะใช่ม พี hmm, you know. ่น้องก ד กานัอายาตีทุศลาอัลัยกุมฟะกุนตุมอาดาอักอบิกุมตังกิซูนอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับอัลลอฮ์ให้กุรานมาแล้วถ้าไม่อ่านกุรานไม่หาความรู้จากคุรานจะร้องเสียงดังตะโกนเหมือนวัวอะได้ะ เหมือนวัวถูกเชือดนะครับลั่นเลยทั้งโลกดุนยาและอาคเราะด้วยพี่น้องเพราะสาเหตุเพราะอะไรครับฟักก็จะก้าหนักโดยแน่นอนยิ่งอายาติองค์การทั้งหลายของฉันตุทลาอะไรกุ้มได้ถูกอ่านได้ถูกสาธยายแก่สู่เจ้าแล้วอัลลอฮเคยส่งกุญญาพันนาบี มาสอนให้กับพวกคุณตอนอยู่บนโลกดุนยานะฝกคุณตุมอาดาอลกอบคุมโดยสูเจ้าได้หันส้นเท้าของสูเจ้ากลับหันหลังวับเลยเดี๋ยวยิงกูรันค ณ, นณะใหม่ ย, ยิุ่น่านบียพวกวาฮีนี่เล่าถึงพวกเราก่อนนะคนฟังกันนู้นมันหนักอยู่แล้วไปนะคนฟังกันนี่ก็เหมือนกันวันนี้เป็นมุสลิม รักนบีแต่ไม่เอาสุนาัขนาบีมาใช้มีไหมเยอะมากเลยพี่น้องรักอัลลอฮ์รัก Allah, รอชูลรักนบีชอบสุลวาห์นาบีจังเลยพี่น้องแต่ไม่เอาสุนาัขนาบีมาใช้ในชีวิตประจําวันเหมือนกันครับคนฝังคนุน่นรองลั่นเนี่ยอัลลอฮ์ถามบอว่าจําได้ไหมเราได้ส่งอัลกุรอานนี้นะครับ มาให้คุณอ่านผ่านนบีมุฮัมมัดฝักุนตุมอาลอาอักกอบิกุมตังกิซูลสูเจ้าได้หันส้นเท้าอักกอแปลว่าส้นส้นเท้านะอักบุญอัอากกอบานี่อักกอแปลว่าส้นส้นเท้าตังกิซูลแปลว่าหันตังติสแปลว่าหันหันส้นเท้าหมายถึงหันหลังให้ไม่ฟังกุปราชปฏิเสธอลกุปรานปฏิเสธนบีด่านบีด้วยพี่น้องนั่นคนฝ่ากรนวลก็ะทำกัน วันนี้คนฝั่งกันนี้ตอนนี้ดีขึ้นเยอะนะมุสลิมานี่ยสนใจสาสนากันเพิ่มขึ้นห้ามเดรีละปฏิบัติตามสุนนะกันเยอะคุณเป็นปน้องครับแต่นี้อย่าอย่าเล่นแรงค่อยๆน่อยอย่าเล่นอย่าเล่นแรงนะครับเป็น้องอทีนี้อายาต่อมาครับเป็น้องคุณจะร้องทําไมตอนตอนอยู่ที่นครมักกะเนี่ยเปน้องอัลลอฮ์ให้กุรอานมาพ่านนาบีมัมมคุณก็ ตนิคุณก LIKE ็ด <SL UR> ่าคุณก็สัดดาท่านนบีตัมนิท่านนบีหันหลังกับท่านนบีมุสตบิรีนอายะที่67สิบอายะสุดท้ายมุสตบิรีนบีฮิซามิรันต์จุรุนมุสตาคบิรีนบีฮิซามิรันต์จุรุนอัลลอฮฺเพลองครับ หันหลังและยังไม่พอพี่น้องปฏิเสธคุรานเรายังไม่พออัลลอฮ์ส่งคุรานผ่านนาบีมาพี่น้องครับพอ น, นาบีอธิบายให้ฟังไม่มีใครฟังพี่น้องไม่มีกรสนใจและกระสนใจอะไรครับมุสตักบีรีพวกเขาเย่อหยิ่งจองหองทําเป็นปั้นปึงกระสนใจกูไม่แขกเห็นไหมสาเหตุ เพราะจองหองเย่อะยิ่งต่อคำสอนของอัลลอ์ผ่านนาบีมาไม่เคยอ่านนี่อาโทรต้องมาที่ร้องอย่างกัววัวเชื่อดูวัวทำอะไรเรานึกเรื่องเก่าๆคุณทำอะไรบ้างไปน้องน่าคิดนะมุสตักบบรนาบีีพวกเขาเย่อะยิ่งจองหองไปน้องต่อใครบีฮีต่ออัลกุรอานอ่าต่ออัลกุรอาน ถ้าจะรวมความก่อต่อท่านนาบีมุฮัมมัดต่อสุน่านาบีปฏิเสธสุน่านาบีเยื่อยินกับสุน่านาบีบางคนประกาศนะสุน่านาบีห้ามเข้าสุราฉันแต่ทุกคนที่เป็นสุน่านี่น้องพอรับสุน่าเพาะกลัวตัวร้อนอ่ะพวกจะไม่มากินบุญเวลาตายแล้วไม่มีคนมาฝังมีคนโทรศัพท์มาถามอาจารย์ฉันกลัวไม่มีคนฝังผมตอนตายผมบ่าคุณตายนอนเฉยๆนะ อย่ากระดุกกระดิกนะปล่อยให้เน่าอย่าง ก, กันเลยคนทั้งหมู่บ้านบาดบุเลยบอกงั้นเละเอาเอาไปนอนนอนเฉยๆอย่ากระดุกกระดิกนะเอาต่อมาครับสามีรอนตาจารุน <c oughs> สามีแปลว่าพูดจาในเวลากลางคืนสามีรอนแปลว่าเด็วกผู้อาจจะภาษาอุตุ ด, ดนะพูดจากันในเวลากลางคืนมายถึงชอบเล่านิทาน หันหลังให้กับอาารรัลกุรอานไปทำอะไรพี่น้องไปนั่งนินไปนั่งเล่าเรื่องนิทานเก่าๆ เ, เรื่องนิยายเรื่องละครอ่พี่น้องพูดง่ายๆก็อย่างคนสมัยนี้พอไม่อาารร่านกุรอานทำอะไรพี่น้องดูทีวีก็นะละครสมัยนี้นะสมัยก่อนนี่พี่น้องครับ พอไม่เอากู้อ่านต่อต้านนาบีต่อต้านผู้อ่านพวกเขาก็จับกลุ่มคุยเล่านิยามเหลวไหลในเวลากลางคืนเ阿拉ตองการจะอธิบายคนฝังคนุนคนมุชิริกินกาฟริรินมุนาฟิกที่ต่อต้านอิสลามเนะี่ยกลางคืนเขาทําอะไรกันไปน้องนี่จะรู้นิสยัยกันไปน้องรู้นิสัยคนฝังคนุนกลางคืนเขาทาอะไรกันไปน้อง ผมกลัวจะเหมือนพวกเราหรือเปล่าคนฝังน่งนี้คนฝั่งนูน้นปฏิเสธคุรานนบีนำกุรานมาฉันหันหลังให้แต่เอาเวลามานั่งคุยกันมาเล่านิทานกันนิทานเรื่องเหลวไหลในเวลากลางคืนไม่นอนไปน้องกินเหล้าเต้นรารอมเพลงไปนอ้องยุยมี่ไงไปน้องนบีเนี่ยสอนกุราน แต่คนฝังคนุนพื่นรองปฏิเสธกอุษานเอาเวลาทั้งหมดนั้นมานั่งกินเหล้าร้องเพลงเต้นราเล่านิยายนิทานซึ่งกันและกัหัวเราะไปเพี่น้องครับทีนี้ต้องการจะอธิบายว่าคนฝังคนนี้ทําตัวเหมืนคนฝังคนุนไม่ได้คนฝังคนนี้คนที่เป็นมุสลิมเพื่น้องเดินตามสุนัขนาบีนบีสอนอย่างนี้ครับตอนกลางคืนนั้นเมื่อนามาตอิชาเสร็จแล้วให้ทําไงให้รีบนอน แต่คนฝังคนนูน้นกินเหล้าร้องเพลงเต้นรําจับกลุ่มเล่านิยายเหลวไหลในเวลากลางคืนคนฝังคนนี้ทําตรงกันข้ามเมื่อนามาติชาเสร็จแล้วแต่ต้องนามาติชาก่อนนะถ้าหาไปนอนก่อนนามาติชาหลายคนไม่จะนามาติชายาวเลยประตูสุบโบเลยมาเสดาอรรอาจรย์ฉั น, ฉนหนูเนี่ยไม่จะนามาสุโบนามาติชาทำไงอ้าวคุณทำผิดนี่ กอดอไดไหมถาม้าเท้าตกอดออีกอเท้าก็ตอบอึดอัดไงพี่น้องถ้าเป็นนอนนอตนตอนนามาอิชาเรียบร้อยพี่น้องขาดอิชาหมดเลยฉะนั้นตามสุนทรนะบีนะให้รีบนอนแต่หัวค่ําดีที่สุดตอนไหนหลังนมาอิชาถ้าจะคุยเรื่องศาสนาเนี่ยได้ยกเว้นนะแต่คนฝังขนู้นไม่ใช่นะนั่งร้องเพลงเต้นรํากินเหล้าแล้วก็เล่าเลยนะ จับกลุ่มเล่านยายาเหลวไหลในเวลากลางคื น, นแต่คนฝังคนนี้ไม่ใช่พี่น้องครับให้รีบนอนแต่หัวข้ามและเตือนนอนแต่ตีเท่าไรตีสองตีสตี4ขึ้นมานมาแ ต, ต่ขยุกมาอ่านกูอ่านมาซิคุณล้อเห็นไหมชีวิตมันต่างกันพี่น้องอายานี้ต้องการจะเตือนนะคนฝังคนนี้กับคนฝังคนน้นนิสัยไม่เหมือนกันอักากไม่เหมือนกันฉะนั้นที่เรากลัวอะกลัวคนฝั่งคนี้เอานิสัยคนฝั่งคนน้นมาใช่ใช่ไหม นี่ไนมนมในซอยของเคสเนี่ยผมสงสัยนะตีสาอ่ะเด็กนุมอ่ะของเคสเนี่ยอยู่จับจับกลุ่มอยู่ในซอยซอยบ้านผมเนี่ยเรากลัวอ่ะมันจับกลุ่มทําอะไรกันเนี่ยเอามีสายคนคนฝั่งกระนู้นมาชาเห็นไหมเพื่น้องนั่งคุยกันกลางซอยเลือดเรื่องผู้หญิงเรื่องสารพัดเรื่องเหล่าเรื่องเบียร์เรื่องของห้ารำ นั่นคนฝั่งนู้นเขาทากันสมัยนบีมุฮัมมัดนสายมุชาลิกินกาเฟรีนเขาทำกันเป็นอ้องแต่คนฝั่งคนนี้เนี่ยต้องทําตรงกันข้ามทําตรงกับคําสอนของนบงีเมื่อนามานอิชาเสร็จแล้วเขาทาไงครับให้นอนพอพอนอนก็กอนนอนก็ต้องอ่านตัวอ่านตุวอ่านใช่ไหมมีน้ํานามาดมีแปรงฟันมีตะปัดที่นอนมียกมือขอทุอาร์เราเป่าเป่ า, ปาล้นลูกทงตัวอ่านอายะทับาละกะละดีบียาดีฮิลมูลอ่านอายะครุษ ให้มากกิจกรรมของเราเต็มไปหมดน่ะแต่เราไปเดินตามคนฝังคานุคนฝังคนุ น, นีน่นร้อนเล่านะว่ากานัดอายาตีตทะะุตลาอัลัยุมฟะกุนตุมอัลลาอัลกอบิคุมตัง้งกิซูนมุสตะเบรีนะดีสามิรันตะยุรุนคนฝังคนุนกลางคืนกลางค่ำไน้องครับจับกลุ่มเล่าเนยเหลวไหลในเวลากลางคืนนั่งร้องเพลงกินเหล้าเต้นรากัน แต่คนฝั่งคนนี้รีบนอนแต่หัวค่มเพื่อตื่นตอนเด็กๆมาอ่านคุรอ่านมัสิดรัลลอฮ์นี่ความรู้จกากอัลลอฮ์ได้ประโยชน์เยอะไหมเยอะมากแลยทำายู่เรล่อลลพี่พีองครับขอดูอาต่อรอในเพีงนะให้พวกเราเนี่ยเอาสุนนะของท่านนบีมาใชา้ในชีวิตประจำวันบ้านมุสลิมกับบ้านคนคาเฟ่ต่างกันนะเพีองครับมีอยู่คนหนึ่ง วันนี้เรียนเรียนเรียนเรียนซุนนะนบีเปน้องเมื่อก่อนที่บ้านเขานะรูปรูปเต็มเลยนะรูปคุณพ่อคุณแม่รูปจบปิญญาตรีปิญญาโทปิญญาเอกมีหมดเลยเต็มหมดเลยเดี๋ยวนี้ถอดออกมาแล้วเพราะเข้าใจซุนนะเป็นน้องเห็นยังฉะนั้นบ้านมุสลิมนะนบีสอ่งเงี้ย nawiru mana zilakum biswala watila watilquran บ้านมุสลิมนั้นต้องประดับประดาด้วยสองรายการหนึ่ง มีการนมาดและมีการอ่านอัลกุรอานหช่ไหมบ้านมุสลิมไปนอยบางคนคาเฟร่รอรูรปทาบเต็มไปหมดในในะในในตู้เย็นมีเบียด้วยมีเหล้าด้วยผมเคยไปนมาดมกริบบ้านไทยคนหนึ่งมันเมื่อสาสิบปีที่แล้วนยผมเปนอิมาม่านนำนำมาดไอตู้ของเขาเนี่ยวางอยู่ข้างหน้าผมอ่านดูเฮนเนสซี่อ้าวมันเหล้าไม่ใช่ พอหน้ามาเจาะกระเทาะมาเนี่ยท่านเนเก็บเก็บเอาไว้เป็นอนุสร์พรอมกรเนี่ยกินประจํำเดืวนี้เลิกแล้ว่ะเพราะว่าเอาทิ้งไปเถอะอาจารย์กุลีดเคยโทรศัพท์ามาถามภูมทิทีว่าพอเป็นหัวหน้างานอยู่ในกรทมเนี่ยวันปีใหม่ก็เอาเหล้ามาให้ใหกันนะอาจารย์ทำไงนะอาด้วย์เล่ากท่านทำไงแบบทุบแล้วก็ เ, เอาเหล้าแททิ้งเอเอก็ะเทาะกระเทาะนะครับจนเรื่องมันยี่สิปีก่อนแล้วนะโตัวสาวมาถามผม พี่น้องครับ้านชีวิตของมุสลิมพยายามผูกพันกับสุนัขนบีกับบรรดาซอฮบ้านนบีนะครับอย่าเอานิสัยคนฝังกลางนู้นกลางคืนนั่งร้องเพลงกินเหล้าเต้นรำเล่านิทราอย่าให้รีบนอนแต่หัวค่าแล้วก็ตื่นแต่ตี3มตีสเพื่อมาทำอิบาดามาอ่านกุอานมาสิกุลลอห์ซุปฮานะกลุมมาบิฮัมดิะลลออิละอิลลอันตะอัสตฟุกวะตูบอิลกลลามะลัยุมะะ์มุลลอห์บะละกะเต